ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มากไปด้วยการขอว่าท่านตั้งหลายจงให้ขนเจียมพวกอตมาต้องการขนเจียมพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนพนาว่าฉนัยพระสมณะเชื่อสายสักยบุตรจึงใช้ทำสันถัดทุกๆปีเป็นผู้มากไปด้วยการขอเป็นผู้มากไปด้วยการออกปากขอด้วยกล่าวว่าท่านตั้งหลายจงให้ขนเจียมพวกอตมาต้องการขนเจียมดังนี้เล่า สันถัดของพวกที่ทำครั้งเดียวถูกเด็กถ่ายอุจจระรถบ้างปัดสาวะรถบ้างหนูกัดเสียบ้างก็ยังใช้สอยได้ถึงห้าปีบ้างหกปีบ้างแต่ภิกษุเหล่านี้ใช้ให้ทำสันทัตทุกทุกปีเป็นผู้มากไปด้วยการขอเป็นพวกมากไปด้วยการออกปากขอด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมพวกอาตมาต้องการขนเจียมภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตาหนิประนาม